โอกาสนี้บันดาท่านหลายๆเลยพากันสมาทานศีลสมาทานกรรมฐานแล้วสำหรับคืนนี้มีบรรดาท่านผู้บริษัทมาร่วมเจริญกรรมฐานใหม่หลายท่านด้วยกันแล้วก็อาจจะเป็นคนเก่ามาจากที่อื่นก็ได้ยันเงี้ยขอ การอธิบายในการเจริญพรกรรมฐานแบบรวบทั้งต้นและปลายสำหรับการเจริญพักรรมฐานนี้ขอทุกท่านโปรดรับทราบความประสงค์ของสมเด็จพระสัมมาสัามพุทธเจ้าไว้ด้วยที่พูดนี้ก็เพราะว่ามีอยู่เสมอที่นักปฏิบัติไม่มีความเข้าใจพระพุทธประสงค์ คิดว่าการเจริญธรรมฐานนี้จะต้องมีแสงสว่างบ้างมีแสงสีงต่างๆบ้างเห็นนั่นเห็นนี่บ้างความจริงเรื่องนี้ไม่ใช่ความประสงค์ของพงระเจ้าแต่บางเอิญจะเพิ่งเกิดขึ้นนั่นก็เป็นเรื่องของจิตที่สามารถจะหลบจากมีวนห้าราการในชั่วขณะหนึ่ง แล้วก็เป็นช่วงของจิตที่เข้าสู่อุปจารสมาธิเล็กน้อยซึ่งไม่ใช่ไม่ใช่เป็นการไม่ใช่สมาธิใหญ่ดังนั้นการที่เห็นแสงสีต่างๆหรือความสว่างอะไรก็ตามไม่ใช่หน้ไม่ใช่ภาวะที่เราจะถึงประสงค์จุดประส ง, ง, งค์ของพระพุทธเจ้าคือหนึ่งการจเจริญสมถะภาวนาเป็นอุบายทําจิตให้สงบจากสี่วรรณะ และก็สองการเจริญวิปัสนาหรือที่เรีว่าสมถภาวนาและวิปัสนาภาวนานะข้อที่สองคือวิปัสนาภาวนาก็เป็นการใช้ปัญญาพิจรารณาขันหา้าตามความเป็ น, นจริงเพื่รับรองความจริงกฎธรรมดาของขันหา้าหรือของโลกนี่ความประสงค์ของพระพุทธเจ้ามีความประสงค์เพียงเทา่านี้ ในการที่ท่านนักปฏิบัติทําแล้วไม่ได้อะไรก็เพราะว่ามีความต้องการเลยพอดีไม่ตรงความประสงค์ของพระพุทธเจ้าคือเวลาหลับตาลงไปก็อยากจะเห็นแสงเห็นสีเห็นเทวดาเห็นนรกเห็นสวรรค์ท่านมันไม่ใช่เรื่องของการเจริญพระกระมาถานความจริงมันเป็นผลจากการเจริญพระกรรมฐ า, านเหมือนกันแต่เังหวะให้มันเป็นผลปล่อยได้ ไม่ใช่ความประสงค์ของเจ้าเดิมๆเรื่องนั้นจะต้องฝึกกับเบงกอลนิยเศษแต่ว่าจุดประสงค์อันดับแรกก็คือให้จิตของเราชนะนิวรณ์หาประการนี่เป็นเรื่องของสมถะภาวนาแต่เรื่องนิวรณ์หาประการที่ว่าชนะนี่มันก็ชนะไม่เกี่ยวเป็น่เพียงว่าสามารถจะใช้กําลังใจให้มีกําลังเหลืออนิวรณ์หาประการชั่วขณะหนึ่ ที่เรียกตะวันชันโลกีสำหรับในด้านนี้ปรสนายานที่ใช้ปัญญานี่เป็นตัวตัดกิเลสชัดเพื่ต้องการให้กิเลสสิบเรื่อการที่มีอยู่ในใจเรือสกายะทิฏฐิวิจิจิชาเศิลปตะประมาตกรรมราค้าปริค้ามานะอุจจารุราค้ารูราค้ามานะอุจจาวิชา ใันั้นเมื่อกิเนเหลสิบประการนี้หมดไปเรียกันว่าพระอรหันต์นีความปบะสงฆ์พระพุทธเจ้ามีอยู่เพียงคนนี้ล้านขอบันดาท่านทั้หลายที่เจริญพุกธธรรมฐานจงรักษากำลังใจให้ตรงตามจุดนี้แล้วผลดีมันจะเกิดถ้าว่าท่านมีความรู้สึกนอกเหนือไปจากนี้ใ น, นกหมายความว่า ท่านใช้กําลังใจนอกทางที่พระพุทธเจ้าต้องการมันจะไม่มีผลอะไรเกิดกับท่านเลยถ้าบุญยมแสงสีควารรมสว่างความสวยงามของภาพต่างๆหรือว่าต้องการเห็นสุวรรดาต้องการเห็นผมเห็นสัจโเรเบตอสุรกายทิงคนตายถ้าจิตของท่านยังคิดอยู่อย่างนั้นคําว่าสมาธิเบื้องต้นจะไม่มีสําหรับท่าน เพราะว่าม er ันเป็นอารมณ์โพสานที่พระพุทธเจ้าสอนเรียกว่าอุตจักรุปจะเป็นนวลดังนั้นในดับต้นาอทนายเพื่อศึกษาที่ก่อนว่าการเจริญสมาธิจิตคิดไว้เสมอว่าขณะใดที่เราจะรวบรวกําลังใจให้เป็นสมาธิขณะนั้นเราจะต้องวางอารมณ์ผาประการเสี้ยแยยเข้ามายุ่งกับจิต คือหนึ่งจงตัดความต้องการในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมน่อร่อยสัมผัสระหว่างเพศในเวลานั้นเราต้องวางอรรารมณ์เศร้ารายการที่สองจะป้องกันคือไม่ยอมเอาจิตเข้าไปยุ่งกับความโกรธความเพียาบาัต เรการดีสามขณะนั้นต้องตามทำจิตแนวแน่จะไม่ยอมแพ้กับอาการของความง่วเรอการดีสี่เราจะรัษารมไม่โดยเฉพาะจะไม่ยอมแห้รมเราคิดอย่างอื่นนอกจากองค์ภาวนาหรือพิจารณาเรการดีห้าจะไม่สงสัยใน คนเนื่องการปฏิบัติพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัพธเจ้าที่สอนไว้นี่สำหรับด้านสมถาภาวานานี่ต้องระวังเืิดขบาราชการย่า้เกิดกับใจสำหรับฤกษนาภาวานานแล้วก็ใช้อารมณ์พิจนารณาร่างกายเราโดยเฉพาะไปเปรียบเทียบกับร่างกายของคนอืน่น ก็เปรียบเทียบเพราะว่าทุกขาวต่างๆที่มันมีสภาพเกิดขึ้นมาแล้วก็มีความเสื่อมเพื่อมีความรู้สึกว่าถ้าเป็นคนในสัตว์เกิดขึ้นมาแล้วก็มีความแก่เป็นธรรมดาไม่ร่วงพลัความแก่ไปได้ให้มีความรู้สึกว่าปัญญาจริงจิตคิดรับรองความแก่ไว้เสมอว่าถ้าเรายังไม่แก่วันนี้วันหน้ามันก็แก่ กระนการที ar, <ged> ่สองมีความรู้สึกตัวอยู่เสมอว่าเราจะต้องมีความป่วยไข่ไม่สบายเป็นธรรมดาไม่สามารถจะหลงคนไปได้กระบวการที่สามต้องทำความรู้สึกว่าเราจะต้องตายเป็นธรรมดาไม่สามารถจะหลงพลความตายไปได้กรการที่สี่ที่ต้องมีความรู้สึกไว้เสมอ ว่าของและของชอบใจเซลมีอยู่แม้จะร่างกายของเราเราไม่ต้องพัดด้กจากมันโดยการีิหั่เชื่อเกดของกรรมถ้าเราสร้างความดีจะมีผลเป็นสุขถ้าเราสร้างความชั่วจะมีผลเป็นดรุ่งนี่เป็นจุดของปริพันาญาณเรื่องขน จะใ ข, ขอบรรดาลเป็นผู้ศาชนิกชนที่ศึกษาผู้สมถะธรรมฐ า, านิปัจฉนากรรมฐานต้องทรงอารมณ์ไว้ตามนี้เืราะว่าอนับแรกรู้จักว่าการเจริญสมถะภาว น, นาต้องการจิตสงบอย่างเดียวมันจะมืดหรือมันจะสว่างมันจะเห็นอะไรหรือไม่เหนนน็นอะไรก็ช่างจะไปสนใจ สนใจอย่างเดียวว่าเวลานี้เราภาวนาว่าอย่างไงหรือว่าเราพิจารณาว่าอย่างไงนี่ือด้านพุทธะภ า, าวนาสาหรับด้านวิปัสสนาภาวนาก็มัน น, นั่งวิจัยกิเลสกิเลสตัวต้นเทศกายทิกสี ที่รทพระพุทธเจ้าแปลว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่พเราเราไม่เปร่างกายร่างกายไม่เปเร า, าร่างกายเป็นตัวเชมธาตุสีคือธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟไปรวมกันเป็นเรนร่างไม่ช่อว่ามีอากาศธาตุแมียานาธาตุาเพื่รับรู้นที่อาศัยของจิตและทิสมาในกาย กายนี้มีมความเกิดขึ้นใ น, นเบื้องต้นแปรปรวนไปในท่ากลางสลายตัวเป็นอนิสตุเมื่อกายตายเราไม่ตายถ้าเราตายด้วยคัมมสวรรค์ น, นรกคงก็ไม่ดีขัมมเราคือจิตเลียจิตสมนในกายที่เข้ามาสิงยูในกายนี้ต้องไปรับผลข้องกับความดีและความชั่วที่เราทำ แล้วก็วันนั่งมองว่าร่างกายนี้มันเป็นธาตุสี่จริงไหยต้องใช้ปัญญาธาตุน้าําธาตุดินธาตุลมธาตุไฟไม่ต้องไปนั่งว่ามากๆ ก, ก็ได้นึกในใจว่าร่างกายที่ทมันเกิดมาเนี่ยมันเสื่อมลงไปทุกวันจริงหรือเปล่าแล้วมันมีอาการปวดเสียดไม่สบายกายไม่สบายใจ็โครคภัยใข้เจ็บมันกดคนจริงหรือเปล่า มันมีความแก่ธรรไมทับถมอยู่สวรรค์จริงหรือเปล่า ร, ร่ากายนี้จะต้องตายเป็นปกติเป็นธรรมดากจริงไหมแม้ว่าเราจะต้องตายแล้วแล้วเราไม่ตายก็ตามของที่ เ, เรารักเราชอบจะมันจะอยู่กําลังตะกอนตลอดการตลอดสมัยได้ไหมไม่ได้มันก็ต้องไปถ้าเป็นคนหรือสัตว์ก็ต้องตายเป็นวัตถุธาตุบางอย่างมันก็พังมันก็าหายบางกีเราก็ใช้ไปยหมด แม้แต่ตัวเขาเราเองเขาต้องตายนี่ใช้เป็านายาพิ่จะนาไว้อย่างนี้เรียกว่าวิปษษายายาัสนาญาตอนนี้ไปก็ขอพูดเรื่องเจริญสมาธิเบื่องตน้นเรื่องตน้นนึกต้องปลายก็ต้องทำเหมือนกันก็ถือว่าต้องทำว่าเบื่องต้นนี่จะเริ่มตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงวันตายต้องทําเหมือนกันหมดนั่นก็คืออันดับแรกกําหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออก อ น, นี่เราพูดกันทั้งปีแต่อันนี้ส้กใครทิ้งก็พังการกําหนดรูล้ลมไม่ใจเข้าใจออกนี่ถ้าท่านคนใดหรือท่านผู้ใดองค์ใดก็ตามบอกว่าเวลานี้ผมเลยอนาปานรัตติกรรมฐ า, านไปแล้วไม่ต้องใช้แล้วผมเก่งแล้วทําเลยไปแล้วก็แสดง ว, ว่าท่านโงลองนั้นพังหมดแล้ว ความดีในการเจริญกรรมฐานไม่ได้มีเหลือเลยเพราะอะไรเพราะว่าอนนาปานุกติกรรมฐานนี่แม้แต่พระพุทธเจ้าเองเมื่อทรงพระชนม์ชีพอยู่เป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ต้องใช้เป็นปกติเมื่อพระอรหันตุกองค์ที่เป็นพระอรหันต์แล้วก็ใช้เป็นปกติ ใช่นันนาปาโนติจริงเป็นกรรมฐานที่มีความสําคัญมากเป็นพื้นฐานใหญ่ของกรรมฐานทั้งหมดไม่ว่าท่านโคโซนชานโลคีก็ดีโซนชานโลกุตระก็ดีโวิชาสามอภิญญาหปริศามิทาใยายก็ดีต้องใช้ชเป็นปกติทุกวันเพราะว่าเป็นกรรมฐานคุมอารมณ์กรรมฐานทั้งหมดให้ทรงตัว แค่นอจากนั้นอนาปานุปปิยังเปรียกรรมฐานระงับกายสังขารคือมันเท่าทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นในจิตเมื่อเกิดขึ้นกับจับกร ก, กายและการป่วยไข้มาจล บ, บายมันมีทุกขเวทนามากถ้าเราสามารถทรงฌา น, นอนาปานุปปิกรรมฐานได้ โดยเฉพาอย่างยิ่งถ้าใช้กำลังฌานถึงฌานสี่เราจะไม่รู้สึกว่าวิทนามันมีเลยถ้าถอยกำลังใจจากฌานมาลายาาจะู้สึกว่าเก็บนนทปวดที่ น, นี้เป็นอันว่ากังม่านกองนี้เป็นกรรมฐานที่มีความสำคัญมากวิธีปฏิบัติเขมีอยู่สองแบบ คือตามแบบมหาคติประธานาสูตรก็ได้ตามแบบกรรมฐ า, านสี่สิบก็ได้ถ้าตามแบบมหาคติปรานาสูตรท่านทำแบบได้ง่ายเพราะแบบนี้เป็นแบบของสุขวิปัสสโกทำง่ายหน่อยนั่นก็คือการพิจรารณาลมให้ใจเขาออก ลมให้ใจเข้าให้ใจออกเป็นบรรยากาเข้าแรงหรือเบาสั้นหรือยาวปล่อยมันปล่อยให้เป็นตามเรื่องของทางร่างกายอย่าไปบังคับแต่ด้วยใช้จิตจับอารมณ์เข้าไว้พอเวลาให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเขา้าเวลาให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออกให้ใจเข้ายาวหรือสั้น หายใจออกยาวและสั้นรู้อยู่นี่เพียงแค่นี้อนาปาณิปติกรรมฐานแล้วก็อย่าเลี้ยงง่ายนะการจับลมหายใจจะต้องปล่อยลมหายใจไปตามสภาพบางทีให้ลมหายใจเบาเกินไปบับงคับให้แรงอันใช้ไม่ได้ให้ลมหายใจสั้นเกินไปบับงคับให้ยาวก็ไม่ได้ ลอยไปตามความต้องการของร่างกายมันถ้าจิตยังรูร้ลมหายใจเข้าใจออกอยู่และก็ไม่มีอารมณ์อื่นเข้ามาแทรกชื่อว่าเวลานั้นจิตเดาทรสงสมาธิแนวนาปานณสติสมฐันไม่ต้องไปนึกถึงความมืดความสวาม่างจะไปนึกไนึกถึถ้าไนึกเข้าก็แสดงจิตเขาท่านทิ้งสมาธิไปแล้ว ถ้าปฏิบัติในด้านของวิชาสามเรขาคณญาหกเรวาปฏิสมิทรายงายในแบบกรรมฐานสี่สิบเวลาให้ใจเข้าให้กำหนดจิตจับู้ไว้ว่าลมกระทบจมูกแล้วก็ทับทิ้นออกกระทบศูนเหนือสะดือเวลาให้ใจออกลมกระทบศูนเหนือสะดือระทบน อ, อกกระทบจมูก ถ้าเป็นคนมีริมทุปากเชิดลมจะรับทบริมทุปากแต่ว่าจะต้องปล่อยให้ลมเป็นไปตามสภาพอย่างคับลมตามทีก่กราวมาแล้วอย่างนี้เรียกว่านากา น, า, า, านุปัตติกรรมฐานในสำหรับการปฏิบัติในปัจจุบันและอดีตที่แล้วมาพระโมรานาจารย์ท่านฉลาดท่านมีความฉลาดมาก คือใช้กรรมฐ า, านหลายอย่างควบ ก, กันโดยถัาพลาดจากอย่างนี้ก็ได้อย่างห น, นึนั่นก็คือเวลาภาวนาท่าสอนบอกว่าเวลาให้ใจเข้านึกว่าพุทธเวลาให้ใจออกนึก็โทคำว่าพุทโธนี่เป็นพุทธานุสติกรรมฐ า, านถ้ามาเอ่ออารมณ์เราจะพลาดจะลงให้ใจ แต่ว่าใจยังเล็รู้คำภาวนาอยู่ยังนิื่อว่าจิตยังเป็นสมาธินี่และอีกเบญจลึงที่เป็นสอนซ้อนเข้ามาเป็นสามอย่างมีกันถ้าใช้คำพุพโภคท่านแนะนําให้จับภาพพระพุทธรูปจะเป็นพระพุทธรูปองค์ใดองหนึ่งก็ตามหรือว่าในที่นั้นไม่มีพระพุทธรูปที่เรานั่งอยู่ แต่ถ้ว่าแล้วก็น <g ul ia> ึกถึงพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งแล้วก็จัดลมหายใจเข้าออกร้อมกับคำภาวนาวพุทโธแล้วก็นึกถึงพระพุทธรูปนั้นไปด้วยอย่างนี้คิว่าเป็นกรรมฐานสามอย่างร่วมกันคือลมหายใจเข้าออกเป็นนาปานุสติกคำภาวนาว่าพุทโธเป็นพุทานุสติการนึกถึงพระพุทธรูปเป็นพุทานุสติ การนึกเห็นระุทธรปนึกถึงพรุทธรป่เห็นแต่นึกเห็นนึกเห็นภาพจำภาพเป็นสิงถ้าพระพุทธรูปเป็นสีเหลวเป็นกิตกักะถ้าพระพุทธรูปเป็นสีขาวเป็นโอทายกะิถ้าพระพุทธรูปเป็นสีเขียวเป็นเนตกสิถ้าพระพุทธรูปเป็นสีแดงเป็นโลกะสี ถ้าสมมติที่เรานั่งอยู่เวลานี้เรามองพระพุทรูปมองไปแล้วก็จำทั้งพระพุทธรูปด้วยจำทั้งแสงไฟด้วยก็กลายเป็นกระสินสองอย่างพระพุทธรูปมีสีเหลืองหมดเป็นสีตากระสินแสงไฟถ้าเราคิดว่าขาวเป็นโอทากระสินถ้าเราคิดว่าแสงไฟไม่แสงสว่างเป็นอาโลกระสิน นี่เป็นอนวา่าการเจริญสมถาภาวนานี่ให้จิตทรงอยู่ในแค่คำภาวนาหรือว่ากําหนดรู้ลมหายใจเขาออกหรือว่าจํำภาพภพตโรคนี่เป็นด้านสิทธิ์โรสมาธิสําหรับสําหรับสมถาภาวนานี่มีอารมณ์คิดอีกเยอะอย่าลืมสติสิบอย่างเรื่ อ, อง ท, ทงอรอ ง, องอยู่อันเดียวคืออนาปาเล่าหนะ้าเอรอารณ์คิด ถ้าเราคิดจะนึกถึงความดีของพระพุทธธรรมประสงค์ก็ได้หรือจะเราย้อนไปนึกถึงความมาเรานี่ก็มีความตายเป็นอาลัยเกิดมาแล้วมันก็ต้องตายเป็นมรณานึกสติธมฉันหรืว่าถ้าตายแล้วแล้วก็ถ้าเราเป็นคนอย่างนี้มันก็ไม่ไหวคนจะเป็นเทวดาเทวดาก็ทำยังไงเขาก็นึกถึงเทวดานุกสติกรรมฉาน ว่าเราถ้าเทวนคนจะเป็นเทวดาลได้ต้องอายความชั่วต้องเกรงกลัวขอความชั่วตัวความว่าไม่ทําชั่วไม่โทดชั่วและก็ไม่คิดชั่วทุกอย่างทําแต่ความดีที่สอบการโดยย่อนะนี่รายการหนึ่งเขคิดว่าถ้าเป็นเทวัดาอย่าง น, นี้เขามันได้ความสู่เราไปพุทธานไม่ได้ ตายพนิพานดีกว่าไม่ต้องกลับไปไวินว่ายตายเกิดในวัฏจัถ้าคนไปคิดว่าพนิพานนี้เข้าไปกันได้แบบไหนก็ามาดูาองค์สมเด็จพระจอมไตรก่าวว่าคนที่จะไปนิพานได้ต้องมีเหตุสามาเกิดครบคนหนึ่งมีสิงครบเราก็นั่งไล่เบียดดูวสิ่งทีเรามีครบหรือเปล่านี่เป็นตัวพิจารณา พอพิเจรารณาหนี้ก็ควรจะรู้ลมไม่ใจเขาออกไปโดยโดยไม่ต้องภาวนานั่งดูสิ่งพระราชนิมมิตรเท่าไหร่พรวัตรมีสิน 5, ส้นห้าก่อสิ้นแปดสมณนมีสินสิบพระมีสิน 200, 200. น้นสองร้อยยี่สิบเจิดมีครบไหมถ้ายังไม่ครบเราไปสวรรค์ก็ไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์ก็ไม่ได้ ตายแล้วตเกิดเป็นสัตว์ในใบภูมิมีเป็นสัตว์นลกเป็นเกิดอศัยกายเฉลี่ฉันฉะนั้นเราจะต้องพยายามชาระสิ่งที่ราให้บริสุทไว้เป็นปกติอันนี้เป็นจุดแรกที่เราจะไปนิพพานเมื่อใดการดสองก็มองดูคาสอนของสมเด็จพระวิชิตธรรมาน ว่าคนเรียกปานิพันธ์ได้นอกจะมีสินบริสุทธิ์แล้วต้องมีสมาธิสองตัวเพื่อมีลมมั่นอยู่ในสมาธิสมาธิอันดับแรกถ้าเรายังไม่ใช่เราเราใช้สินตัวเดียวก็ได้เป็นสมาธิการรักษาสินให้บริสุทธิ์สะมักนำมาดละวางสินไว้ไม่เคยพลาด จิตจะไม่ยอมปราศจากสิ่งไม่ยอมละเมิดสิ่งคุมสิ่นอยู่เป็นอารมณ์จะได้การคุมสิ่มีสภาพเป็นปกติไม่มีความหนักใจเย่ยวนี้เรียกว่าได้สมาธิในสีลานุปกติกัไมาได้นี่ถ้าเราใช้ลงคิดคิดมีเยอะเมื่อมีสมาธิจิตสองตัวเวลาที่เรานลกเรื่องสิ่มันก็อยู่ในเรื่องของสี เวลาที่เราควบคุมลมหายใจเขาออกเขาก็อยู่ในเรื่องของลมหายใจเขาออกไม่มีเรื่องอืาาน่นทำไมแซ่บถ้เรามานึกถึงความตายมันก็อยู่แค่ความตายเห็นว่ามันเป็นของธรรมดาไม่ป็นของแปลกไอ้เรื่องตายต้องร้องไห้ก็นลยเมือนเป็นของแปลกถ้าคนเขาตายให้ดูทุกวันจะใครตายขึ้นมามาเกิดความเสียใจอันนี้ไม่ใช่เรื่องของ เพราะแต่ศาสนาเนี่ยไม่ใช่เรื่องหัจิตใจที่เป็นปกติมันเป็นอารมณ์ผิดปกติเพราะปกติคนอาศั์เกิดตาต้องตายแต่เท่าตายแล้วทําไมถึงต้องร้องไห้เพราว่าตอนนี้เพราะอรเพราไม่ได้พิจารณาหาความจริงคือไม่ใช้ปัญญาเสียเลยไม่ใช้ปัญญาเลยนะไม่เป็นไรไม่ใช้สัญญาเสีด้วย อัญญาคือความจําไอ้ที่ตั้แต่เราเกิดมาในเราเห็นคนตายและวเท่อเห็นสัตตายและเท่าไหร่แล้วทาไมเราจริงจะไม่คิดว่าเราจะต้องตายบ้างและญาติพี่นอ้องของเราจะต้องตายบ้างถ้าเรายังคิดอยู่จําได้เราก็จะมีความรู้สึกโอ้ยจนถึงบาระที่เขาจะต้องตายแล้วนอกจากว่าเขาจะต้องตายและวไอ้เรานี่แหละมันก็จะต้องตายเป็นปกติธรรมดา นี่ถ้าจิตโซสมาธิในในมรณานักสิธรรมธรรมธรรมฐานส่งตัวตรงนี้ก็ไหลไม่ป็นจริมีความรู้สึกเกี่ยวเสมอว่าเราอาจจะต้องตายเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เวลอพวกนี้มรรยยนี่ความตายไม่มีนิเครื่องหมายเราไม่สนใจในร่างกายเพราะร่างกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ว่าเราไม่แยกตายคนเกิด มีร่างกายอยู่เราก็มีความทุกข์จะหาความสุขก็ไม่ได้มีสามีมีพันยามีบทบินดามีญาติคนใหญ่มีเพื่อนมีผู้ไม่ทราบมีศีลสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่มีการสรงตัวมีการยืดจากกันเป็นปกติเมื่อเรายังมีสภาวะอย่างนี้อยู่เราก็มีแต่ความทุกข์ โดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งเรายังมีร่างกายอย่างนี้ถ้าตายแล้วต้องเกิดมีร่างกายอย่างนี้มันก็อกทุกแบบนี้เราก็เลยตัดใจว่าขึ้นชีอว่าร่างกายที่พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่าขันห้าคือรูปวินาสัญญาสังขารนิยางมันเป็นส่วนหนึ่งสำหรับเราเรากับมันไม่ใช่ตัวเดียวกันและมันเองเป็นปันจจัยนำความแก่มาให้เรา เป็นบาดใจนําความป่วยไข่มาสบายนําความทุกข์มาให้เราแล้วก็นําความตายให้สภาพความตายมาให้เราเราจะไม่พบมันต่อไปขึ้นชื่อว่าขั้นห้าคือร่างกายอย่างนี้จะไม่มีสําหรับเราอีกจากนั้นไปก็ทําใจเริ่มหน้าขบัญญา พิจารณาทำสอนองค์สมเด็จพรสัมมาสัมพุทธเจ้าใช้ปัญญาพิจารณาให้แม่เห็นจริยว่าข้อไหนายของปฏิบัติและต่อไปก็้อมรับสี่ที่องค์สมเด็จพระสูสวังทรงแนะนําให้ปฏิบัติรักษารักษาให้บริสุทธิ์หลังจากนั่นก็ใช้กายกับตาโนติกาสุภกุมฐานควบกับสักกายดีดี ทำลายการมาชัน้นแท้ความพอใจในติกให้หมดสิ้นไปจากใจจากนั้นก็ใช้ควมมีหานสื่อเรื่องอะไก็กสินสื่อทำลายปฏิฆาอารมณ์ที่กราทบใจที่เรีาว่าไม่พอใจให้มัสิ้นไปจากนั้นก็ใช้ป็นปัญญาพิจาที่ว่ารูปรชัยก็ดีรูปอรชัยก็ดีเป็นแค่กําลังเท่านั้น ยังไม่ถึงขั้นมรรคานเราจะใช้รูปปรจจายและรูปปัจาัยเข้าประหัรทหารมานะความเสียตัวเจือตนและก็ทำลายความผู้ใส่ห้าจิตและทำลายอารงณ์สิทธิ์เนว่ามนุษย์โลกคือโลกเป็นโลกเป็นของดีจิตเรานี้จะไม่ยอมติดสภาวะอย่างนี้ทั้งหมดจิตกาหนดเฉพาะมรรคผลมานะ เป็นอวัจจิตของเรารับเท่านี้ผานเป็นปกติอย่างนี้องค์สมเด็จพระจินสีโุรุศาสดาสมมาสมประจักษ์กล่าวว่าถ้าผู้ใดปฏิบัติได้อย่างนี้ชื่อว่าท่านคนั้นจบจิตในพระพุทธศาสนาอรหันด์ท่านพุทธบริสัทธ์ฉัหลายโดยชนนาตอนนี้ไปอรบรนต์ท่านฉันหลายตั้งกายให้โฉงดำรงจิตให้มัน กำหนดลู้ลมห้ใจเข้าหาใจออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัจาสิยะใส่ดีกว่าจะบินเห็นญาณบอกหมดเวลา